ความจริงคือที่มาของความสุขพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้จักตื่นจึงทรงได้พระนามว่าพุทโธ และเพราะเหตุนี้จึงทรงเบิกบานแล้วเพราะปราศจากทุกทั้งปวงทรงรู้เต็มที่ทรงมีคุณธรรมทั้งปวงเต็มที่ไม่บกพร่องเพราะทรงมีความรู้ที่สมบูรณ์ไม่บกพร่องไม่มีสัจจะอะไรที่ไม่ทรงรู้ทรงรู้บริบูรณ์ทรงสิ้นทุกสิ้นความเศร้าหมองด้วยประการทั้งปวงจึงทรงเบิกบานเต็มที่เหมือนดอกบัวเมื่อต้องแสงอาทิตย์ ปัญญาตรัสรู้ก็เทียบได้กับแสงอาทิตย์เมื่อตรัสรู้ก็ทรงเบิกบานเต็มที่ไม่บกพร่องจึงได้พระนามพุทธโธเมื่อทรงแสดงธรรมะก็เพื่อให้ผู้ฟังตื่นด้วยความรู้คือรู้จนตื่นจากหลับคือความหลงไหลดังกล่าวแต่ว่าโลกยังมีโมหะอยู่มากดังมีพุทธภาษิตว่าโลกมืดมีความมืดคืออวิชชาโมหะ พุ่มห่ออยู่และได้มีพระพุทธภาษิตเตือนว่าฉไหนจึงไม่สแสวงหาดวงประทีปคือธรรมะที่จะส่องให้รู้สัจจะคือความจริงธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นดวงประทีปที่จะส่องให้รู้สัจจะคือความจริงดังกล่าวแต่ผู้ที่มีความมืดหุ้มห่อมากเหมือนคนตาบอด แม้จะมีแสงสว่างอยู่ก็ไม่เห็นสิ่งที่ทำให้เกิดความมืดเหมือนตาบอดก็ได้แก่โลกกระทำทั้งหลายเป็นต้นเมื่อลุ่มหลงเกินไปแสงสว่างคือธรรมะยากจะส่องเข้าถึงจิตใจผู้ที่สนใจศึกษาให้รู้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้สัจจะพอสมควรปฏิบัติตัวให้มีสติปัญญาในธรรมะพอสมควรยอมได้เปรียบ เวลาประสบโลกธรรมทั้งหลายจากพอมีแสงสว่างให้เห็นความจริงโลกธรรมทั้งปวงจะไม่ทําให้ตาบอดซึ่งตาบอดแล้วแสงสว่างก็ไร้ประโยชน์ต้องตาดีมีแสงสว่างลืมตามองก็จะเห็นสัจจะคือความจริงเพราะฉะนั้นผู้ยังมีตาดีเรียกว่ามีละอองในจักษุน้อย ก็ยังพอเป็นเวไนยะคือพระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนอบรมได้สามารถใช้ตาอาศัยธรรมะเป็นแสงสว่างให้เห็นสัจจะคือความจริงได้อันการจะปฏิบัติให้เกิดสติปัญญาในธรรมะนั้นในชั้นต้นท่านให้อาศัยสัญญาคือการจำได้หมายรู้ เช่นจำไว้ให้ได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงสรั่งสอนไว้ว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือทุกสิ่งไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงและไม่อยู่ใต้อำนาจการบังคับบัญชาหรือความปรารถนาต้องการของผู้ใดทั้งสิน้นเมื่อทุกสิ่งเป็นดังกล่าวจึงไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นให้เที่ยง ให้ไม่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามความปรารถนาต้องการของตนเพราะแม้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ผิดจากสัจจะเช่นนั้นแล้วเมื่อไม่เป็นไปตามความยึดมั่นถือมั่นเพราะเป็นไปไม่ได้ก็ย่อมจักผิดหวังเสียใจเกิดความทุกข์ความยินร้ายการที่จะให้ลายเห็นอย่างชัดเจนด้วยปัญญาของตนเองว่า ทุกสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาย่อมเป็นการยากสำหรับคนทั่วไปจึงเป็นการจำเป็นจะต้องอาศัยสัญญาการจำไดหมายรู้เป็นทางดาเนินเช่นผู้ที่กลัวความแก่ไม่ต้องการแก่ต้องการเป็นหนุ่มสาวสวยสดงดงามอยู่เสมอตลอดไปก็จาเป็นจะต้องอาศัยสัญญาจำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้ว่าเมื่อเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บ ต้องตายจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกคนถ้าไม่ตายสัก่อนแก่ก็หนีความแก่ไม่ได้ต้องแก่ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อถึงวาระหนึ่งผู้ที่ไม่ต้องการแก่ดิ้นรนจะรักษาความไม่แก่ไว้เสมอนับว่าเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นในทางที่ผิดต้องนึกถึงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ดังกล่าวและพยายามปลงใจเสี้ยให้ได้ว่า ทุกคนต้องแก่เช่นเดียวกับที่ต้องตายถ้าไม่อศัยสัญญาคือความจำได้หมายรู้จะมุ่งหน้าใช้แต่ปัญญาตนเองให้สามารถรู้แจ้งเห็นจริงในอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ย่อมจะตายเปล่าโดยไม่อาจรู้แจ้งเห็นจริงเลยโดยไม่อาจทำโมหะความหลงผิดให้ลดน้อยถึงหมดสิ้นไปได้เลย การอาศัยสัญญาจึงเป็นความสำคัญและจำเป็นไม่น้อยสำหรับผู้ต้องการจะลดกิเลสให้น้อยลงจนถึงหมดสิ้นไปอย่างสิ้นเชิงพระพุทธองค์ตรัสรู้ไว้อย่างไรและทรงสั่งสอนไว้อย่างไรควรต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจะได้เลือกหยิบยกไปเป็นสัญญาประกอบความเพียรพยายามพิจารณาเจริญปัญญาเพื่อทาโมหะความหลงให้ลดน้อยลง ไม่เป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ร้อนนานาประการอันการเกิดขึ้นแห่งปัญญาเห็นจริงด้วยตนเองในเรื่องใดก็คือการดับไปซึ่งโมหะความหลงผิดจากความจริงในเรื่องนั้นดังนั้นการอาศัยความจาได้หมายรู้ในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าประกอบความเพียรพิจารณาให้เกิดปัญญาเห็นจริงด้วยตนเองจึงเป็นการปฏิบัติ เพื่อทำโมหะความหลงผิดจากความจริงในเรื่องทั้งปวงให้ลดน้อยถึงหมดสิ้นไปได้สามัญชนทั้งปวงมีความยึดมั่นถือมั่นจะให้สิ่งทั้งหลายเที่ยงไม่ให้แปรปรวนเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามอำนาจความปรารถนาต้องการของตนแต่สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามอำนาจความปรารถนาต้องการของผู้ใดพระพุทธองค์ตรัสรู้ทรงเห็นแจ้งในสัจธรรมนี้และได้ทรงแสดงไว้ในพระธรรมคำสั่งสอนอันเปรียบเสมือนดวงประทีปส่องโลกให้สว่างพ้นจากความมืดคืออวิชชาหรือโมหะที่หุ้มห่ออยู่ผู้ต้องการให้จิตใจพ้นจากความมืดมีความสว่าง นั่นคือพ้นจากความทุกข์ได้มีความสุขต้องจำสัจธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ให้แม่นยำเมื่อโมหะความหลงผิดในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแสดงตัวขึ้นในจิตใจสัญญาความจำได้ในสัจธรรมที่ทรงสอนไว้จะเป็นเครื่องช่วยยับยั้งความหลงผิดได้มากหรือน้อยแล้วแต่กำลังของสติและปัญญา เช่นคนหนุ่มสาวที่หลงยินดีในความหนุ่มความสาวปรารถนาจะยืดยุดความหนุ่มสาวนั้นไว้ให้เที่ยงไม่ให้แป ร, ปรวเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามความปรารถนาต้องการของตนพยายามทำทุกอย่างที่คิดว่าจะเกิดผลดังความหลงผิดเป็นต้นว่าบํารุงรักษาด้วยประการต่างๆแต่การกระทำเช่นนั้นหาอาจทาให้สัจธรรมเปลี่ยนแปลงได้ไม่ ทุกสิ่งในโลกตกอยู่ใต้กฎของสัจธรรมคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรรวนเปลี่ยนแปลงและไม่เป็นไปตามอำนาจความปรารถนาต้องการของผู้ใดแม้จะบำรุงรักษาเพียงใดก็ต้องแปรรวนเปลี่ยนแปลงไปและต้องไม่เป็นไปตามความปรารถนาพอใจของผู้ใดทั้งสิ้นนั่นก็คือเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ได้เสมอไป จะต้องแก่เริ่มแต่แก่น้อยแล้วก็แก่มากแก่เข้าทุกทีผู้ที่มีสัญญาจำที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ได้ดังกล่าวหากจะหลงยินดีขึ้นมาแม้สัญญาที่จำได้นั้นปรากฏขึ้นด้วยก็จะยับยั้งความหลงยินดีนั้นได้ทำให้สติกเกิดขึ้นได้และปัญญาของตนเองเกิดขึ้นด้วยเมื่อใดเมื่อนั้น ก็จะทำให้ความหลงยินดีหมดสิ้นไป